ท่านสาธารณบริษัททั้งหลายในระหว่างนี้บรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายกําลังฟังเรื่องราวแห่งการหนีบาปตอนที่สิบสองการหนีบาปนี้บรรดาแทนพุทธบริษัทรู้ได้เจ้าให้ทุกคนปฏิบัติในตัดสังโยตสามรายการคือหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตาย เราก็ไม่ประมาทในการปฏิบัติในด้านของความดีคิดว่าถ้าจะตายชาตินี้ก็ไม่ขอไปอาบายยาพัวคือมีนรกเป็นต้นหรือไม่ว่าชาติไหนล้วก็ไม่ไปทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงกำหนดให้ยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมและความดีของพระอริยสงฆ์ อันนี้เป็นคําแนะนําในบรรดาท่านพุ้ถบริษัทให้ยอมรับนับถือนี่ไม่ได้ทรงบังคับเป็ น, นเพียงบอ ก, ก ว, ว่าถ้าใครต้องการจะพ้นจากทุกแดนทุกทั้งสีแ่แดนก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ใครจะไม่ปฏิบัติตามก็ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้าม แล้วต่อไปให้ปฏิบัติในสินห้าหรือกรรมบวกรรมบวทั้งสิบประการทุกคนจะมีการ้นทุก์ก็แค่นี้รบรรดาเทนพุทธบริษัท <c oughs> นี่เป็นอนุวาทรงอารมณ์ไว้ตามนี้สำหรับเรื่องราวที่จะพูดต่อไปแทบรอพูดจบอธิบายให้จบกันนานมากก็ต้องเอาหัวข้อมาชี้แจงกันก่อน ว่าปฏิบัติจริงๆหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายและอาจจะตายวันนี้ไปเสมอเร่งรัดทมความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์อริยสงฆ์มีศีลห้าหรือกัมบทสิบครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าเป็นอย่างนี้หลังจากชาตินี้ไปแล้วถ้ามีความจำเป็นจะต้องเกิดอีกกี่ชาติ ขอยืนยันว่าไบายภูมสี่ไม่มีการเกิดแน่การเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เลี้ยงช้างก็ดีไม่มีกระทันแน่นอนจนกว่าจะเขา้านิพพานตอนนี้ไปก็มาขอต่อตอนที่สิ อ, อตอนที่สิบ อ, อบอกไว้แล<บ>้วว่าที่จะปฏิบัติในสิ่ข้อที่หนึ่ง สิ่งนี้มีธรมรมะแทรกอยู่ภายในแด่คิดว่าบรรดาท่านนักราชทั้งหลายทราบแต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบที่ทราบแล้วก็ขออภยัยที่ต้องมาพูดให้รำคาญใจแต่ว่าที่ยังไม่ทราบก็โปรดรับฟังฟังแล้วจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตาม มีความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิของท่านซึ่งพระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าอาคาตาโรตถาคตาตาถาคตเป็ น, นเพียงผู้บอกเท่านั้นเมื่อบอกแล้วท่านจะปฏิบัติตามหรือไม่เป็นเรื่องของท่านอัตมาก็เช่นเดียวกันในฐานะที่เป็นสาวกองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารุ่นจิ๋ว ความจริงจิ๋วเฉยๆไม่ถูกต้งเรียก ว, ว, ว่ากระจิววหลิวคําว่ากระจิ๋วหลิวนั้นเล็กที่สุดหรือว่ามีเรวที่สุดก็แล้วกันแต่บอกว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารุ่นที่เร็วที่สุดแต่ว่ายังเกาะชายีบลวิวิทวิทวิทวิทไล่เกาะชีวะชายีบอลของท่าน หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าไปไหนก็จะไปบ้างแต่ก็วิ่งโกดไม่ค่อยทันทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านไปนิพพานท่านไปแล้วอาตมาก็ยังกระตุ่มกระเตี่ยมกระตุ่มกระเตี่ยมอยู่เมืองมนุษย์ในเวลานี้เป็นมนุษย์แลอเป็นคนก็ไม่ก็จำไม่ได้เหมือนกัน ถ้าเวลาไหนสร้างความยุ่งยากให้แก่บุคคลอื่นโดยเจตนาร้ายเวลานั้นเป็นคนเวลาไหนทําจิตใจให้คนละลายมีความแช่มชื่นสัตว์ลลายมีความเช่มชื่ น, ว เ, นเวลานั้นเป็นมนุษย์เรื่องนี้ผููทิ้งไปที่ยันเลอะเทอะมาพูดกันถึงสิงข้อที่หนึ่งที่ว่ามีธรรมะสิงอยู่ภายในก็คือสองใ ส, สองในสี่ของพ ม, มหานศรี ได้กันหนึ่งเมตตาความรักกุณาความสงสารจะรวมความว่าถ้าเรามีความรักคนที่รักกันนะฆ่ากันไม่ได้แน่และคนที่กําลังสงสารกันอยู่ก็ฆ่ากันไม่ได้แน่อันนี้ไม่ต้องอธิบายมากเจ๊บอกว่าผมเคยฆ่าคนที่ผมก็เคยกําลังรักกําลังสงสารอันนี้ไม่จริง ยังบอกว่ามีความจำเป็นมันอดมันยากมากต้องฆ่าลูกทั้งๆ ท, ที่กาลังรักอยู่แล้วต้องฆ่าลูกทั้งๆ ท, ที่กาลังสงสารอยู่อันนี้ไม่มีเทวดาที่ไหนเขาเชื่อถ้ารักจริงสงสารจริงก็ต้องไม่ฆ่ากันไม่ทำร้ายร่างกายกันวิธีอื่นที่ดีกว่านั้นถมไปเมื่อมันไม่มีอยากกินจริงๆอดก็ต้องยอมอด วันดาท่านพุทธบริษัทมีใครบ้างไหมญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นี่ที่กำลังนึกในใจว่าจะร้องตะโกนขึ้นมาว่าท่านเป็นคนไม่เคยอดไม่รู้ชีวิตจิตใจของคนนี้อดอยากถ้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตะโกนมาอย่างนี้จริงๆอาตมาก็จะตะโกนต่อไป ว่าตามาที่เคยอดขนาดหนักมาแล้วขนาดไม่ใช่มีมีกินมืออดมือไม่ใช่อย่างนั้นในขั้นเึงกับสิบวันเสร็จไม่เจอะไม่ข้าวเลยเข้าสุขเข้าวหรือว่าข้าเจ้าหรือข้าเหนียวว่าตามไม่เคยเห็นเมธีไม่ข้าว นึกถามว่ากับข้าวกับข้าวต่างๆที่บริโภคกันอย่างน้ําพริกกับปลาเนี่ยเอาอย่างต่าที่สดถึงเขาว่าต่านะสมัยหน้าตะมามันไม่ค่อยจะมีอยากกินถือว่าน้ําพริกปลาเนี่ยสูงที่สดน้ําปลานี่สูงที่ส ด, นนสสดขนาดน้ําปลาจริงๆยังไม่มีสตังจะซื้อต้องทําน้ําปลากินเอง ในการทำน้ําปลากินเองนี่นหมายความเวลานั้นที่มันมีพวาอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นแล้วยามที่อดอจริงๆเครื่องปรุงน้ําปลากินเองก็ไม่สามารถจะทําได้ต้องเอาเกลือมาละลายน้ําแทนน้ําปลาบางคราวก็อดขนาดไม่มีเกลือจะละลายน้ํามันตกตีนยามคับแค้นจริงๆบรรดาเทพทธิดาบริษัทชายจริง ถึงอย่างนั้นถ้าถามว่ากินอะไรถึงมันจะลำบากยากแค่ยังนั้นก็ยังไม่เคยคิดฆ่าบุคคลที่ติดตามคือไปได้วยกันหลายคนเรามีอํานาจสูงกว่าเรามีกําลังมากกว่าถ้าจะฆ่ากินเนื้อสัอะไรก็ได้หรือว่าจะฆ่าเพื่อบรรเทาความทุกข์รื อ, อาหาร เพราะว่าอาหารที่เพิ่งหามาได้แต่ละคราวมันแสนยากก็หาไมา่ได้น้อยต้องแบ่งกันกินเขาเรียกว่าจะต้องกินเมื่อได้มาแล้วนะกินแค่ฝาลิ้นลิ้นฝาหมอ้อถ้านับกันจริงๆแล้วก็มันก็ได้ไมากี่ช้อนเอาว่าต้มกินใช้น้าให้มากหาของี่มีความเค็มนิดนิด เอามากินผสมกันแล้วก็ไปหาผักมาไอ้ผักหญยาทั้หลายสมัยเมื่อก่อนมาหายอะหาง่ายเมื่อเทศไทยเมื่อสมัยแตมายังไม่บวชยังนมอยู่หาง่ายมากผักหญยาที่ไหนก็มีเวลานี้มองแล้วมีเจ้าของไปหมดเพรหยิบเฉยๆไม่ได้เอามาถึงแล้วก็ทํำยังไงตอาน้ําตั้งน้ําให้เดือดต้ม รสอร่อยไม่ต้องหมายการกินส่งเด็จให้อย่างชีวิตส่งตัวอาตมาเคยอดมาแล้วอดขนาดนี้และอดหลายครั้งหลายคราวโดยบางครั้งก็ระยะยาวๆต้าัยที่ยังมีเมตตาความรักคุณาความสงสารในเวลานั้นยังไม่เคยคิดว่าจฆ่าคนที่ติดตามไปเพื่อบันเทาการเปรืีออาหารเลย ข้อนี้เป็นข้อยืนยันว่าคนที่อดจริงๆแต่มีความรักความเมตตาในลูกหลายก็ไม่มีใครเขาฆ่าญาติโยมที่นั่งอยู่ที่กำลังคิดจะเสียงก็โปรดทราบไปดูว่าอาตมาเคยอดมาแล้วแต่อาศัยธรรมะท่งสอนวยการนี้บังเอิญมีในใจแต่ถามว่าเวลานั้นบังเอิญสัตว์ตัวใดตัวหนึ่ง อย่างเป็นไก่ป่าก็ดีเก้งก็ดีแล้วมั่งก็ดีเนื้อสัมัก็ดีแล้ววางก็ดีอะไรเป็นต้นถ้าเดินมาจะยิงไหมความจริงไม่ต้องท่าแล้วเห็นอยู่ทุกวันแต่ก็ไม่กล้า ย, ยิงลูกน้องจะยิงก็บอกก็อย่ายิงเลยสัตว์ก็เราก็มีความรู้สึกเหมือนกันเวลานี้เราอดแล้วก็มีความทุกข์ สัตว์ที่เดินไปเดินมาเนี่นก็อาศัยความอดเธอหิวเธอต้องไปหาอาหารกินเวลานี้เราอดมีความทุกข์ถ้าบะเอิญเสือเดินมาจะกินเราเราจะเห็นชอบหรือไหมเพราะเสือก็หิวเสือก็ไปเดินหาอาหารจะกินเสือหิวเหมือนกันเห็นเราเข้าไปอาหารนี่โอชะกินเราเราจะชอบไหมทุกคนตอบว่าไม่ชอบ แก่ได้บอกว่าพ่อแก่แล้วมั่งพวอนี้ก็เช่นเดียวกันเนื้อสมันที่เราเห็นแก่ก็กําลังไปหากินแก่ก็กาลังหิวอยู่ในเมื่อเราให้ความหิวเป็นเจ้าหวจจ่าจเยียงสัตว์พวกนี้ตายสัตว์พวกนี้อาจจะมีผัวมีเมียอยู่หัวเมียคอยอยู่ที่รงังจะมีลูกน้อยๆที่กําลังเลี้ยงดูอยู่อาศัยพ่ออาศัยแม่นําอาหารไปให้ เธอจะต้องพลอยลาบากจะต้องพลอยตายไปด้วยเราเห็นชอบไหมถ้าเราเป็นอย่างนี้ทุกคนก็เห็นชอบว่าไม่ควรทํานี่รวมความเมื่อคนที่มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารนี่ทําไม่ได้แน่บรรดาเจ้าพุทธบริษัทในเมื่อเราทรงสิงข้อที่หนึ่งได้และพระพุจจทธเจ้าจ่านบอกว่าสิเลเนะสุกติณยันติ คนนี้รักษาสินใบสุดผุดองชาตินี้ก็มีความสุขชาติต่อไปก็มีความสุขสำหรับชาติต่อไปยังไม่พูดกันพดกันชาตินี้ก่อนดีกว่าบรรดาเทพบุตรบริสัททุกท่านเรื่องเสียงและสำนวนในขอบรรัประานอภัยบรรดาเทพบุตรบริสัทธ์กลังพูดอยู่นี่ยังโผ่อยู่มาก เป็นวันที่16ธันวาคม2528อาการป่วยอย่างหนักแต่วาระมันถึงก็ต้องโพดถ้าไปคอยหายคงจะไม่ได้พูดมาจะตายซิก่อนก็ได้เมื่อหน้าที่มีก็ทำทำเพื่อความเข้าใจเข้มงรดในพุทธบริษัทสำหรับองน์สงสิงข้อที่หนึ่งในชาติปัจจุบัน หนึ่งเราไม่ฆ่าสัตว์คำว่าสัตว์มีหมายถึงคนทั้งคนและสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่หมายเอาเฉพาะสัตว์เดรัจฉานอย่างเดียวคนก็เรียกว่าสัตว์สัตว์มนุษย์นอกจากสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเราไม่ฆ่าเพราะความรักเราไม่ฆ่าเพราะความสงสารเราไม่ฆ่าเพราะความ เราก็ไม่ทำรายร่างกายเพราะความรักไม่ทำรายร่างกายเพราะความสงสารในเมื่อเรามีความรักก็มีความสงสารบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายซึ้นเกตท่านเองก็แล้วกันขณะที่ท่านพบคนที่ท่านรักเมื่อพบคนที่ท่านสงสารหน้าตาของท่านยังมีจําเป็นยังไงจิตใจก็ง้่านยังมีความรู้สึกยังไง มันแยแช่มชื่นดีหรือว่าหน้าบึ้งขึงจ่อจะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วหน้ากลายไปจะหกวกลองวาดภาพดูสิรวมความว่าคนเราถ้าเกิดคนคนที่เรารักถ้าพบคนที่เรารักหรือพบคนที่เราสงสารจิตใจเราจะชุ่มชื่นพบคนที่รักเป็นความจริงคนที่เรารักไม่ทะเห็นหน้า เพียงแค่คิดถึงชื่อเธอเท่านั้นแหละแล้วนึกถึงจริยาของเธอที่แสดงออกจิตใจก็สบายแล้วเมื่อจิตใจสบายหน้าตาที่แสดงออกก็ไปก็เป็นหน้าตาที่สบายหรือหน้าตาที่มีความยินดีไม่ยินร้ายยินดีคือดีใจหน้าตาของคนที่มีความสบายใจ หน้าตาก็คนที่มีแต่ความยินดีเรื่องเริงอันสาก็เป็นหน้าที่มีความอิ่มเ อ, อิบเต็มความเป็นเต็มด้วยความยิ้มแย้มแจ่ใสแสดงที่อาการสดชืน่นเมื่อการอย่างนี้ปรากฏขึ้นทุกท่านลงบาดภาพคนตัวเองว่าท่านเองนะแต่เบอรเ์รเอิบเบอร์ไปเจอใครก็แสดงการอย่างนั้นเท่า ท่านจะปีติมีความอิ่มใจดีใจชื่นใจสดจิตใจสดใสหรือว่าเสียใจมีใจหดโหัในเมื่อเขายิ้มให้เราเราก็ชื่นใจดีไม่ดีบางคนคนที่เราเกลียดน้ำหน้าไอเขาเกลียดน้ำหน้าน้ำหน้ามันมีนมตรงไหนที่ไม่น้ำตาที่เราเกลียดเขาก็แล้วกันพอเดินผ่านไปเขายิ้มให้เราก็ยังยิ้มรับ อย่างน้อยที่สุดเวลานั้นเราก็ขายเกลียดไปนิดหนึ่งว่าท่านยิ้มผ่านไปแล้วแล้วอาจจะเกลียดใหม่ก็ยังได้ถ้าเจอหน้าอะไรเขายิ้มให้อะไรแล้วก็ลืมเกลียดไปครั้งไปทุกๆครั้งแต่บังเอิญเขายิ้มให้บ่อยๆ อ, อาการที่อยู่เกลียดทุกๆครั้งที่เราเห็นเขายิ้มมันก็ค่อยๆหายไปในสุดต่างคนต่างก็มีความสดชื่น นี่เพราะอาการยิ้มก็เลยแนะนำว่าทุกคนหักยิ้มไว้เรามีความดีใจเรามีความชื่นใจเราก็ยิ้มเราไม่ดีใจเราไม่ชื่นใจใจเฉยๆเราก็ยิ้มต่อไปก็ฝึกเราไม่พอใจเราก็ยิ้มถามว่ายิ้มหรือหัวเราะมีประโยชน์ยังไง ก็ต้องตอบว่าทําสร้างความสดชื่นให้เกิดกับใจถ้าจะถามว่าคนนั้นเกลียดอยู่นี่เห็นหน้าก็เกลียดเรายิ้มให้เลยชื่นใจแบบไหนก็ต้องตอบว่าต้องพยายามฝืนยิ้มมีก่อนตั้งใจฝืนยิ้มไว้หักใจว่าเกลียดแสงเกลียดโกรธแสงโกรธเพื่อเป็นการรักษากําลังใจหัดยิ้มไห้หน่อยหน่อย มายิ้มมายิ้มไปยิ้มไปไป ม, มาแบบนี้ไ ม, ม่ช้าตัวเมตตากุณ น, นาก็เกิดขึ้นตัวธรรมะก็เกิดขึ้นในใจโดยไม่รู้สึกตัวอย่างนี้มีความมั่นคงมากหนักหนาเข้าจะกลายเป็นยิ้มจริงจะต้องใช้เวลาเป็นแรมปีก็เช่างเถอะให้ยิ้มจริงๆมันถูกเข้ามาไดอารมณ์ใจก็ไป็นศพเป็นอ <c oughs> น, นุภาพในเมื่อเรากลายเป็นคนใจดี มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารพเมรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัททุกท่านเราก็กลายเป็นคนที่ไม่มีใครเกลียดแต่คนที่จะเกลียดเรานะหฮะไม่ได้แน่นะคําว่าไม่มีใครเกลียดอาตมาพูดแต่ตามตรรรามากเกินไปถ้าพูดตามความเป็นจริงว่าคนที่เกลียดเราจะน้อยลงไปดีกว่า ตามธรรราท่านบอกว่าเราเมตตาท่านท่านก็เมตตาเราได้พูดภาษาไทยว่าเรารักท่านท่านก็รักเราเราสงสารท่านท่านก็สงสารเรานี่ธรรราว่าอย่างนั้นนะตรรรานี้คงไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าแท้เป็นคําอธิบายของคนภายหลังแต่พระพุทธเจ้าแท้ท่านก็ บ, บอกว่าเวลาที่เราจะแผ่เมตตาความรัก ไปถึงบุคคลอื่นนะสัตว์อืน่นอันดับแรกต้องเว้นคนที่เป็นศัตรูก่อนเพราะถ้าไป น, นึกถึงคนที่เป็นศัตรูเข้าไอ้ตัวไม่ตามันจะหายไปจะกลายเป็นตัวาคาดว่ารายจองล่างจองผายโกรธขึ้นมามันจะไม่ดีในตำราเขาองค์สมเด็จพระจินัสสีบอกว่าถ้ากําลังใจยังอ่อนแยบยาเพิ่งนึกถึงคนที่เป็นศัตรูกับเรา ให้มีจิตเมตตากับคนและสัตว์ที่ไม่เป็นศัตรูกับเราก่อนต่อไปถ้ามีกำลังใจแก่กุลาถึงขั้นบบโสดาบันการเมตตากับศัตรูเริ่มมีขึ้นและก็สดชื่นถ้าถึงสกิทาคามีความสดชื่นยี่งมีมากขึ้นเห็นหน้าศัตรูมีความรู้สึกว่าเพื่อน รือไม่มีการหนักใจถ้าถืออนาคามีแล้วใชไม่มีความรู้สึกว่าใครเป็นศัตรูเลยความจริงก็รู้ว่าเขาเป็นศัตรูแต่จิตใจที่เป็นศัตรูกับใครนี่ไม่มีนี่ตามขั้นของบุคคลนี่เร า, าพูดกันว่าคนที่ยังเป็นโปรตุชนยนานแน่นด้วยกิเลสค่อยๆทำค่อยๆไป ต้องฝืนกำลังใจอันดับแรกเมตตาความรักกรุณาความสงสารมันเกิดขึ้นในใจก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเฉพาะคนที่ไม่เป็นศัตรูกับเราคนที่เคยเป็นศัตรูกับเราพยายามฝืนยิ้มให้เอาปากเมตตาเอาตาเมตตาตามองในฐานะเป็นมิตรจิตอาจจะคิดเป็นศัตรูก็ได้แต่ปากยิ้ม ปากก็เป็นมิตรเวลาพูดก็พูดดียินแย้มแจ่มใสตาก็มองรู้สึกคล้ายๆเป็นมิตรแต่จิตคิดเป็นศัตรูช่างมันมันยังอยู่ข้างในให้หน้าฉากดีไว้ก่อนต่อไปถ้ายิ้มบ่อยๆแสดงการความเป็นมิตรบ่อยใจก็อย่าพล่อยสลายตัวไปด้วยในความในความโกรธอาการที่เป็นศัตรูก็ค่อยๆสลายไป กลายเป็นว่าเราเห็นคนทุกคนกลายเป็นมิตรคิดรักเขาคิดสงสายเขาเห็นคนและสัตว์มีสภาพเหมือนกันถ้าในเมื่อเราเป็นคนใจดีอย่างนี้บรรดาเทพุทธบริษัทการมีเรื่องเวลาทะเลาะเบาแวงกับคนหลายก็หายาก <c oughs> การอย่างนั้นจะไม่มีเลยการจะโต้ถิงกันบ้างในเหตุผลบริการนี่เป็นเรื่องธรรมดา แต่ไม่ใช่ทะเลาะ ก, กันทะเลาะ ก, กันนั่นเนโกรธคนที่มีความโกรธเป็นคนไร้เหตุไร้ายผลในเมื่อเราเป็นคนมีเมตตาความรักกุณาความสงสัยเหตุผลก็มีมากในเมื่อเป็นคนมีเหตุมีผลมากความรักมีมากการฆ่ากันไม่มีการทำร้ายกันไม่มีไปไหนก็มีแต่การยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีมิตรมากกับศัตรู สำหรับศัตรูก็คือคนเลวอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยทันดีแสนดีพระอรหันเนี่ดีแสนดียอดคือความดีแล้วพระพุทธเจ้าทรงเป็นจอมพระอราหารันพระอราหันเป็นอรหันลูกแถวของพระพุทธเจ้าที่เป็นกองทัพธรรมหมดความรู้สึกในการเป็นศัตรูกับใครมีพระมิหารสี่ครบถ้วน จิตไม่มีกิเลสตแต่ได้ว่าองค์สมเด็จพระบรมลกประเชก็ดีสาวกของพระองค์ก็ดีที่เป็นพระหลานก็ยังมีศัตรูคนคอรัดประหารคอยหักล้างอย่างพระพุทธเจ้าหนีมีเทวทั์เป็นต้นควบคู่กั บ, กรกกบ พ, พระโกกาลิกากับเพื่นาาอนพระกะเพื่อนพรหเฮาโอเป็นศัตรูถึงขั้นคิดฆ่าพระพุทธเจ้าจ้างคนฆ่า ถ้ากลิ่งหินใยทับตายอันนี้มีศัตรูดีแสนดีนั่มีศัตรูอย่างพระมกคัลลาที่ถูกเรวถีจ้างคนมาฆ่าเป็นการตัดกำลังเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอันนี้อย่างนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกแต่ว่าคนที่รักท่านนามีมากในเมื่อเราเป็นคนมีรักมีคนรักมากเราก็มีความสุขมาก อันนี้มาพูดกันถึงคนทั้งโลกถ้าทุกคนเชื่อพระพุทธเจา้าต่างคนต่างไม่มีใจโหดร้ายไม่ฆ่ากันไ ม, ไม่ประทุษร้ายกันโลกจะเต็มไปด้วยความสุขโลกเวลานี้ไม่มีความสุขเพราะแย่งชิงดีชิงเด่นกันทำส ง, ง, งครามสงครามแย่งพื้นที่กันแย่งทรัพย์สินกัน แต่สงครามที่ทำคนที่คิดแย่งอำนาจปาสนาศาถนาความเป็นใหญ่แกไม่ไะเออกไปรบเองแกใช้คนอื่นไปตายแทนแกบาดเจ็บแทนแกโลกถึงได้เป็นทุกข์ <c oughs> มาชาวบ้านเราถ้ากว่าเราไม่คิดหกักไม่คิดหักล้างไม่คิดปราบปาร์รห์กันต่างคนต่างรักกันโลกจะเต็ม ไ, มได้วยความสุข ว่าทุกคนเห็นหน้ากันก็มีแต่การยิ้มแย้มยิ้มใสไม่ได้ความเป็นเพื่อนจะจะหลับหรือจะตื่นก็เป็นสุขนั่งหรือนอนก็เป็นสุขไม่ต้องร ะ, ระแวดระวังภยัยนอกจากนั้นนอกจะโลกจะเป็นสุขแล้วโลกก็จะรวยมีหลายท่านมีคนหนึ่งบอกว่าจะมาทำปริญญาณิพนธ์ด็อกเตอร์ เธอบอกว่าเขาพูดกันและเธอเองก็มีความเห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ช่วยโลกจริงจังแค่แปะแปะความช่วยเวนิดนิดไม่ตรงไปตรงมาเธอพูดอย่างนี้เธอทูต่างความรู้สึกของเธอก็ไม่น่าทำหนาะคนเกิดมาในโลกนี้มีบา ร, รมีไม่เสมอกันอยู่แล้ว บารมีหมายถึงกำลังใจก็คือการใช้ปัญญาที่เรียกว่าปัญญาบารมีไม่เท่ากันแต่มาจะพูดให้ฟังอย่างคนที่มีบารมีน้อยเหมือนกันถ้าคนเราไม่ทะเลาะ ก, กันไม่ทำร้ายซิ่งกันและกันประเทศชาติจะตัดรูปประมาณไปได้มากหนึ่งว่าประมาณเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรืว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบ้านเมืองที่คอยปราบปรามพวกพวกปุสัตว์ไร้ซึ่งกันแต่กันอันนี้ไม่ต้องมีเลยพี่ใหญบ้านกำ น, นันก็ไม่ต้องมีอำเภอจังหวัดก็ไม่ต้องมีตำรวจทหารก็ไม่ต้องมีถ้าไม่มีท่านนายหลายเหล่านี้ก็ประมาณพวกเราก็ถูกตัดลงไปในการใช้ใจ่ายความสิ้นเปลืองน้อยไป ต่อมาก็อายการเใยวิพากษาเอ่ยเจ้าหน้าที่ในโรงศาลเจ้าหน้าที่เรือนจําแล้วก็อาคารเรือนจําที่ก่อสร้างใช้เงินมากวัตถุที่ใช้ก็ใช้เงินมากนักโทษที่เข้าไปถูกขังทุกคนต้องกินแต่เทาหัวตั้งไว้ประมาณไมเท่าไหร่เท้หัวละสิบบาทต่อวันร้อยคนร้อยคนก็พันบาท พันคนก็หมื่นบาทต่อวันแล้วก็เจ้าหน้าที่ในเรือนจําต้องใช้จ่ายเท่าไรกร็รวมความงบประมาณส่วนนี้ไม่ต้องใช้จ่ายเลยเพราะไม่มีใครเขาทะเลาะ ก, กันไม่มีใครเขาฆ่ากันเป็นน้ำว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามฝ่ายตัดสินหรือว่าฝ่ายคุมขังควบคุมไม่ต้องมีเลยประเทศชาติจะรวยขึ้นมาทังเยอะนี่ว่ากันทรืงชาตินี้ นอกจากประเทศชาติจะมีความสุขก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมากแล้วก็ต้องไม่เสียหายในทรัพย์สินในการซื้ออาวุธคนที่คิดประทุษร้ายการต่างคนต่างต้องมีอาวุธเงินที่ต้องจับใจ่ายใช้สอยอาวุธไม่ใช่เล็กน้อยคนหนึ่งแค่มีมีดพับหนึ่งเล่มสมมติว่ามีดพับเล่มละหนึ่งบาท คนในประเทศไทย52ล้านคนมีมีดพับ52ล้านเล่มก็หมดเกินไป52ล้านบาทแ <c oughs> ล้วฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบรามก็ต้องมีอาวุธต้องมีพาชนะต้องมีข้าพาชนะต้องมีวิ่ียงจิบปาถาไปหมดก็จ่ายกันด้วรวมความว่าถ้าคนทั้งชาติมีความเมตตาปราณีสิ่งกันแกัน มีความสงสารซึ่งกั น, น, กนและกันรัฐบาลก็มีความสุขใจการสิ้นเปลืองในการเงินการทองทั้งหลายก็ไม่มีและบรรดาแทนพุทธบริษัทเองและญาติโยมพุทธบริษัทก็ตามที่เป็นครวาตที่เป็นพระก็ตามถ้าไม่เป็นศัตรูซึ่งกันและกันทุกคนก็มีความสุขเงินที่ต้องจับใจ่ายใช้สอยเพื่อเป็นการาประราชป่อหันกันก็ไม่มี ทรัพย์สินส่วนนี้ก็จะเป็นทรัพย์สินนอนตัวจะคงอยู่กับกระเป๋าของตนเองเป็นนิวาความร่ำรวยเกิดขึ้นมาจุดหนึ่งจากการที่ไม่คิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันและไม่ทํำลายซึ่งกันและกันนี่ธรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านไม่สมบายเสียงก็สันส้นๆไปหน่อยขอพายด้วยถ้าจะพูดต่อไปก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันเห็นผลฟาดจัชาติปัจจุบันเล็กน้อย สำรับชาติในสัมรายาพภพคือชาติหน้าไว้พูดกันในโวดหลังสำหเับเวลานี้สัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วบรรดาแต่พุทธบริษัท ต, ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสด์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยมีแต่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี